and คำนี้ไล่ให้ความสุขที่นี่อย่างนี้เรืออะไรวะที่แค่ที่แกงแสดงหัวเส้นทางของที่ย็ดแต่ธรรมะากจะจะพูดถึงที่มนี้อยู่ถ้าเป็นความจริงถ้าธรรมะทางทงโลกระตเรยกว่าสารัตามวิชาดารถูกต้องไปตามนิขาดารนีใ้าด้ใ้ไ แต่ท่านปฏิบัติไม่ด้ต้องเข้ามาที่รูปธรรมอนามธรรมเข้ามาที่รูปธรรมอนามธรรมก็จะได้บอกถึงรูปธรรมก็คือท่สี 4, ร่ร <c oughs> ธรรมคือขันธสี่มิตรนารัญญาสังขารทุกอย่างา <c oughs> แต่ถ้าทุกคนกูเคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาพอทุกคนแรกจะฟัง ทำาฏิบัต่จะเข้าใจถ้าจะพูดถึงเรื่องจิตขับอารเรามันมีอยู่สออย่างคือ้ายกับใจนันแหละต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องจิตหายตัดายได้น่ากำลังฟังตัสลายสํายกำลังจิตจะตัดแสทำที่แสดง ทำใ้สงสัยอะไรว่าเข้าใจนครับแต่ว่าขางผู้เดินทางในพระกุทธองค์ก็จแสดงธรรมจิตผู้ที่มีศรัทธามากแล้วตั้งใจฟังไม่เพ้อทุกประโยชน์เพื่อคที่องค์ทรงแสดงเราจะตามไปตามไปตามไปพราพร ะ, ร ะ, ระองค์แสดงธรรมโจทจิตมัก็กให้สงสัยห เพราะว่าหรือตามไปก็เป็นความจริงว่าทุกอย่างมไม่มีข้อโต้แย้งแมประโยเดียวถูกต้องแต่แม่นยำามวามจริงทุกอย่างเรียงแบบ็นรู้ทรรเพราะอะไรก็ทาลายความสงสัยทั้งหมดมันยุ่งความสงสัยยีวอรทำพลามันก็ไม่เข้าถึงได้ง่าเพราะฟงรรเป็นรู้ธเพราะอะไรเพราะว่า จิต้องานตั้งมั่นตรงในปัจจุบันขณะที่ลานีเสด็จก็มียกปัจจุบันธรรมะก็เป็นของปัจจุบันพอที่มีอยู่ในปัจจุบันของอารทุกส่ว น, นทุกข์ก็มีธรรมะหนูกระทัานามธรรมอยู่แล้วยงแต่็เลือกตามคำสอนน่นแหละทำที่แน่นะถ้าฟังจบปุ๊จิตมันไม่มีข้อสงสัยแม้จะข้ออะไรก็ไม่รามโนธรําเข้าใจไหธรรมแจ้แจ้งชัดเจน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 สัมปัสสะกตตัายตัสุขาภังกิ t เตะอสังเกตเถสุขติปาริยกรรขากิตเตสังเกตเถสุขติปาริยกรรขาธรรมัสสะอริยยัจจสาทายสัมมนเตหิสัจตังโโส <c oughs> โคโงการนี้จะได้แสดงทำนาเทศนาพัฒนาศัจธรรมธรรมสัมไรทาง ส, สอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องตรัส ก, กับสศิตัญญาศรัทธาความเชื่อความเฉยใสแต่บรรดาธรรมสาธุชนทั้งหลาย นับเป็นเครื่องประดับสติปัญญาการประดับเครื่องแต่งกายประดับตกแต่นที่เป็นวัตถุตา่างๆเวลาประดับแล้ ว, ลวเราก็ต้องเจ็บทิตเพราะเป็นเสื่องประดับข้างนอกเมื่อไงมันก็จะต้องมอาไปที่แต่ ถ้าเราใส่ธรรมากระดับในจิตธรรมนั้นก็จะรักษาจิตรักษากจิตใจรักษาจิตใจให้เปนจใจที่ดีทั้งที่ปาลีจะเยกขึ้นบต้นว่าจิตตั้งดันตําสุขามะหังจิตที่ฝึกมาดีแล้ว ฟังให้เอนะจิตที่ฝึ ก, กมากดรียนอะไรนะอยู่ที่ไหไปที่ไหนอายุเท่าไรเป็นชายเนหญิชาติเ่กากันนั่นอะไรกแลต่จิตที่ได้ฝึกมาเรียนนำพานำความสุขมาให้ตลอดอเวลานาทีแล้กลับเราสร้างบ้านหลังดีๆสร้างเสร็จแล้วทุออกอา่าง เนีอยไรที่จะส ร, า ร, าารา้ า, ร า, านน ง, นนางาายอยู่แล้วเราเ็าไปในบ้านของเราได้เราก็สบายจะืนจะนจะนั่งทำงางภายในบ้านของเราก็สบายเกียที่ฝึกอบรมจากธรรมะดีแล้วไหมเรากีที่ดีแล้วน่ะคือมันมัจบเไงกยรที่ฝึกยังไม่ดีความหมยจะเลิฝึกยังไม่ดี เรื่องฝึกอยู่แต่ยไม่แล้วยังไม่ดีทุกอย่า ง, างาฝึกแล้วดีกจกระจกนั้นแหละจะมีความสุดในกิจกรรมต่างๆทาการทำงานได้ไม่มากน้อยก็จะมีความสุขความสมัยแต่แต่ก็ดระทั่งเรื่องอะไรแล้วแต่ใจมันดีแล้วเพราะมันดีมันประกอบด้วย มีสติเราจะรู้ได้ปะไงว่าสิ่งดีนั่นจิตเขาคงมนสติจะเป็นหัวหน้าคนจะเป็นลูกน้องจะพูดอะไรกับลูกน้องพูดเป็นหัวหน้าก็ย่มีสติถ้าจะมีสัญญาถ้อยคำพูดออกไปนั้นต้งประกอบด้วยความถูกต้องและประกอบด้วยความเมตตาเพื่อให้บอกแนะนําสิ่งที่ดีและถิ่งที่ถู ไม่ไม่ไม่บอกไม่จสั่งไม่จะบอกออด้วยอารมณ์บางทีกรเทืองชอบหรือไม่ชอบตรงนี้นั่นแหละที่ฝึกดีแล้วอาอะไรมาสึกดีดเอาอะไรมากที่จะดีเพรมีข้อิัใ า, าสามของคารว า, ส, า, ร ส, ารสัสชน จะมีอยู่สามทานอย่างจะ่นพวกทำงหลายให้นำทองมาฝึกฝึกจิตให้ทานนะเพื่ อ, อสมบัติพัฒนขาข้าวของเือนทองที่เรานามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะได้แล้ว่ า, านนเราใช้เล่าฟันใจเล่าเหมือนนะต้องทำอันนั้นเ เขาระทำให้เขาที่ทให้เสียสลั่นไม่ทำบุนให้าทานมันก็จะเกิดความมัดฉรยะความจนีอ่อหู้มจิตอะเรวาสนิมกวามจะิห็นีจะหออ่หอหอุ้มห่อง่อหุ้มจิตเดี๋ยวได้ยินได้ฟังวนะ่าคนนีเก่งนะปัญญาใหญ มายพาะว่ามีทรัพย์สมบแล้วไม่อยากเสียเวลาไม่อยาในสิ่งที่เป็นหาคําว่าคือไม่อยากจะฆ่าคือไม่อยากให้ทาถึหการให้ทานเป็นเติมที่จะให้ทานเรียกว่าหมดหมดทั้งเงินแล้วก็้เสียเวลาเพ่มขึ้นขาดรได้อีกจะคิดไปรักนาหรือมาจำบุญทนี้ถ้าเราไปทางานจะได้เทนะ อำมาเนี่ ย, ยต้งเสียซะ่มีลักษณะของจิตที่หอเขึ้นด้วยความมั่งเชิงยากความเจริญอยู่นางไปนานไปปติฟรึงหงงห่วยึดเมื่อเราเป็นเราเป็นเจรินหรืว่าเป็นวามของเราจริงๆนั้นกันจริงางานไปติดใช้กันสาทุกวนิดหลายมีการให้ทาน การมีน้อยเราประทานน้อยทำนีมากประทานเพื่อจะให้ความสุขผู้อื่นได้มากทาสิ่งที่เป็นสาระทางนักประโยชน์เราทานลงไปคนได้รับความสุขความสบายจากผลขเราทานกานที่เราได้สร้างบารมีสร้างพรางลงทางบิหารจึงลงพ้นทางหมอน้าและช่วงของ้าของโซราไปเราแล้วแต่ที่ทาให้มันท้าทุกข์แต่ชีวิตแต่ได้ชีวิต แต่ก็ท่านก็เงนเป็นแสนๆคน้วเนี่ยคือสูที่พลังเวอร์ของบุญพลังของกำลังใหญ่กำลังชัอพอให้ท่านไปบหว้จิตมันก็จะคลายความเยือกความถือในวัตถุวัตถุต่างต่าวัตถุวัตถุต่างมีโรคมีเสียงหรกอิ่นมี้อนพวนี้มีสัมผัสพวกนของในวัตถุที่มองเห็นด้วยตา ถ้าเราสามารถที่ทำข้อแรกได้เป็นได้อย่างนี้จิตมต้องถอดถอนความยึดมั่นถึกมันสมบัติมาตรฐนเข้าของเงินทองได้เวลาเปีัมเบโกโคเอทุกเวลาเราประสบกับสิ่งที่ไม่สมหังยประสบกับสิ่งที่มม่เป็นที่รักการทงามันเป็นทุกข์ แต่ถ้าเราได้ฝึกในการให้กตลอดันี้ยอาจจะถูกโกมากถูกข้อหอกมาอะไรตันี้กิจกไม่ไม่เกิเป็นทุกข์แล้วก็ให้จนเคยชินให้อะไรก็เรียกว่าเราเให้น้อยเรมให้จนเคยชินแล้วนี่นี่ว่านจะเกง้ตัวพอจะมาลงให้ไกลก็ไม่ใเป็นทุกข์เพราะด้วยเาว่าพัตถุนั่นก็คือพัตถุมัวเป็นสมบัตที่เราเอามาในรลกนี้ เพื่อันรเทาทุกข์ทางเังกี่สมบัติมีไว้เพื่อบรรเทาทุกข์กรจายสีฟังดูใหดีนะอย่างเราหิวเด็กใช่ไหถ้าเราไม่หิวมันจะเ็มเด็อบทานอาหารหิวเหนื่อยอาหายที่อยู่อาศัยตวกนี้เป็นเครื่องบรรเทาทุกแก้ปัญหาลุกเป็นรถอะไรก็แล้วแต่เราไปมีสุราเราไปสนใ้ก็เรายิวข้าวเราไปทานอาหารอย่างนี้ รวมความแรกก็คือแก้ปัญหาชีวิตหมดทุกอย่างถ้าเราเริแ่แก้งตัวนี้กับฝึกการให้แเพื่ถอถอดถอนกาทา น, นใ น, นวัตถุการมได้จะเรียกว่าไม่ยึดติดในทัพย์สมบัติี่ยทานทำไมแต่บางท่างเราทานเพื่อหวัง บบบบอันนี้ก็ไดุ้ลจากปีแรกทานเพื่อหวังหังสิ่นนงนั้นหังองเรียกอาจจะหงอะไรก็ได้จากที่อธิฐานไ้เป็นชันนานหรอให้เก้า็นเ้าร่วยในเจ็ดีาเจ็ดีบ้างอธิฐานอะไรเพื่อหวังอันนี้ก็ไดุ้ลจากแากปีความหวังมังดีวังดีมบุญมีธรรแต่ยังไปลองที่เรียว่า ทำคนก็ต้อจากความมัจฉาญาดท่านนี้ให้ได้อานิสงส์มากกว่าเพราะเาไม่หวังจะให้ิดเอื้อให้จิให้จิตี่ิดเป็นวัตถุกรรมตาเห็นหูินจูงแค่ที่มัรับกสัมผัสอะไรแล้วแต่ให้เกิดตถุแล้ววัถุก็ท้อ อาแต่เป็นวัตถุผู้่เป็นวัตถุนี้รก็ต่างกันรู้ว่านี่คือวัตถุแต่ดีแล้วก็ดีถึงนั่นทีนี้เป็นสมสมมติขึ้นมาเห็นนี่เื่อนี่เห็นนี่เพื่อนี่ไปนสมขึ้นมาแต่สิ่งที่ถูกแขงกันเขาไม่รู้เรื่องเขาตกเป็นลูกชนแต่ทําใม้เื่อมาเ่อดีเขาเชื่อปัญญาปรทการรับการไปนี่โมดีเสียงโมกัน เห็นไอเราลับตาเรียหนก็รับไปเอาตาเรียห็นก็รับไปให้คู่ที่คู่นี้เขาอยู่พู่นี้เห็นก็รับไปเราไปเลากันบ้างพอจบมีเรียกแต่ความจำเราแยกให้ความจันมันตั้งอยู่ไม่ได้พอเราลูกเออสงสารเลยคมมันจะเป็นสิ่งที่ผ่านไปทั้งหมดอันนี้ให้สังเกตน่เราจึงอย่าอดสอน ตีแคร์รับสุกรรมและวบบตอบทานเจริญกรรมได้มีเรากังให้ให้เกื่ไม่เอาคนที่เคยมีแล้วเห็นอะไรมีมากเท่าไรไม่ใ่เฉยหมดเพามนเคยมีแล้วเคยได้เคยมีแล้วมพอใหสัญญานชาติสุดท้ายเคย ทานทุกอย่างก็ไม่ให้ยึดถือเกี่ยวกับความรู้แค่วัตถุนั่นแหละทอดูปทอดปว่าทานในการยึดถือแก่วัตถุความหมายของที่เระพระเบชานนท่านเทวสารทานขอทานขออรก็ให้รก็ให้เ้ คือจมันไม่คิดจะเอาอะไรแต่เรให้อย่างพราะเรมีสุสุีเราาการให้มาอาุจิใหติดัยึดทมวัตถุก็แรอที่สองศีลไม่ศีเนี่ั ก็มีสติสังรมรวมความดีที่มีให้ได้เลอยู่คนเดียวอาจจะรวมได้่พอทั้งโลกสมัครคนถ้าเราไม่ไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ก็ไม่สามารถที่จะรวมความดีที่เคยมี้าจจะทำความดีมาหลายรั้งหลายผลหลายวันเดือาีหีั่วง พอมีเหตุกระทบกระทังเกิดถูกเขาปลา่ า, า, าย่บ้างถูกเขาป่อยีบ้างถูกเขาพูดสอบเสียบ้างถูกเขาพูหาเรื่องที่ม่เป็นความจิงใส่บ้างถ้าสาดจติเมื่อไรขาดสัญญามอะอไรก็รักษาใจที่ดีดีไวไม่ได้แล้วสิใจว่า ร, รักษาคือคือระวังระังความดีที่มีอยู่นะ ระวังไม่ได้ลเลดความขัดเคืองปวดเกิดความโมโหเกิดขึ้นเลยเกิดความอคาิเกิดความพยาบามเกิดความทิงชังนขึ้นมาเพราะอไรเพราะ ข, ข, ข, ขาดสติขาดสัญญาในการที่จะาารักษาความดีที่มีอยู่ไว้สิ่งจะปกติไงปกติของกายมารดาถ่งจะไดยินเรื่องไม่ดีอะไรขเขแค่กคนที่ม่สิงจยปกติอยู่ไม่ร่รู้ว่า แสดงหลักการออกมาทางตาทางจมูกอะไรทํำนองนันคือวิสติทางรู้เท่ารู้เท่าเรื่องราวที่ ม, มันสัมผัสรู้ทันโดยเป็นวิสติรับทาราบรูกันมีตัญญาวตัดกระแสที่ไม่ดีที่ดีจะฟังไว้ลและตัดตอบเลยถ้าเขาคนดีมาต่อแทนไว้คนดีที่เราได้มีอยู่นั้นไปทําดีคิดดีพูดดี เป็นนิสัยดีมีความเรียบร้อยมีนิสัยยี่เมฆตามมาแล้ว่เอามาแทนไปนึกถึงควา ม, ามเมฆตานึกถึงความกระโดาเข้ามาแทนไว้นึกถึงมือติดตามาแทนไว้คนทุกคนเราทุกวันนี้ที่ศึกษากันเรือ่องภาะวะอะไรก็ไม่ค่อยได้เจริญมือติตาในยางเขา ทำงานด้วยการจูงงานไปเดียวเองคนนั้นนะต้อย่างขึ้นเดือมากกว่าอันนี้ก็เกิดความไม่พอใจต่อิจฉาอย่างเงี้นที่จมุ่ดิตาโอ้เขาได้ดีกว่าเราพัะอนาคามีขออนุโมนาสาธุแล้วเพื่อนเราก็ได้คุณมันก็ทาลายด้วยอิจฉาลงไปถ้ากิดมุ่ิตามันก็ไปทางานตัอิจฉาิาได้ แต่ถ้าไม่จเจริญมุติตานีนะมันก็โอกาสที่อีการือยาดกันตัวเองวงการนะว่าวงการไหนไมว่าประเทศไหนมันไหนูุติตาจะไม่ค่อยจเจริญถ้าตัวใครที่จเจริญจะไม่มีจะไม่มีการอิาเนีเขาจะไ้เียวยมเงินถึงเราจะทำก่อนเขาบางทีก็ยัเดือนไม่เท่าเขาเขาหนึ่งเดือมากกว่าทํางไหนใกล้ผู้จัการมาตัวอะไรทั้งนั้นเขาไปยม เราตัวเลือกาให้ทำหย่งดีๆเต็ไปเลเราย่งง้อยใจเราก็เย็นใจเราทำานนี่สายของเขาาไม่ทาใช้พังสุดจิให้ดีอะไรที่จะทาให้จิดดีท่นตสุดเอาสุดตัวกระแสสุดตัวกระแสเขาทำนั้น ทั้งรสขือของโลกกนันว่าเนกแสไหล่่าไปูไปกันทีลยไม่มีใบอกใสอนเรื่องเ่เาคาเพราะตามโทัพเาามมหมไม่มีใครสอนหรอกแต่คือมันมันเเละเออเกียเยอเดใรไปสอนมันหับต้องบอกมกรธความมัตเวีั้งแเด็กขึ้นมาโตขึ้นมาแล้ว เาต้องเล่าห้แ่่ปีกไปดะจดอะไรแต่เมตตัวราเล่าหลงมาเรยังแต่ผลงานเลืองานผลงานนอะไรก็ามงว่างานันหุ่งพุ่งเห็นนั้นไปจิตรที่เกิดมาอวันนี้เรื่ใราว่าเราูกระจกีดข้างู ควมพอใจเราสวยเรางามเราหล่อเราอะไรพวกนี้มันห่อหุ้มไปกี่รอบเห็นยหมพนาฮะทำไมหุ้มไปไปดูว่าอะไรก็ความเห็นก็เหนนะขอ้ตกเยอี่มันน่าเกียดสุดแตุ่ดมันเ็นว่ามันสวยงามเคเห็นที่อยู่นด่อนี้นี้การที่อกลาวามเหพกนี้ให้เน สุภาพเนี่ยสุภาเนี่ยันชวนใจยาอยางมากที่สุดอันนั้น ค, คนเราไ ม, ม, ม, ม่จริงหลงหลงในกรรมฐานหลงงผมลงฝนหลงเล็บหลงฟังลงหนังใช้เงินเท่าไรก็ซั่งขอให้ใจจังจสวยให้หนาให้ท่อให้เป็นน้อง่ครับแต่เยอะพอเวลาทำงาข้าข้ามไปก็มีบานมีแก่ก็มี อะไรขึ้นมาเดี๋ยวถ้ากรทั่งพอไปรอบวิภาอะไรที่กับทำอะไรผมก็เรียกฝันหนังอะไรสู้หนังไเองไม่อยากให้มันเป็นความไม่อยากให้เป็นนั่นแหละปฏิทุก็อยากให้เป็นแอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนี้รความไม่อยากมันมีอยู่ในใจมันเป็นความจริงใท่พอเป็นมาจากความชอบความอยากที่เคยทามาบ่อยๆแต่งตัวแต็เนื้อแต่งตัว ชุดก็ต้องราคาแพงเนื้อผ้าก็ทำดีอาหารก็ต้องดีดีอะไรพวกนี้นะแหละแต่ก็าวไม่รู้รืว่ามันสังสมความรู้ทุกจิตเพืพ่อให้เยกจิตในสิ่งที่ไม่มีสาระนี่ถ้าเรามาศึกษามรรคฐานมาฟังธรรมฐานเพื่อให้ใครจะสอนอย่างหลวงปูฟั่นให้เราสอนเรื่องธรรมฐานก่อ น, อ น, อนรรมาก ตอนอบรมเป็นยังไงส่ออบรมเนัไเปียนอบรมเป็นยังไงเออทำอะไร่างไเรียนร้งพรนีขนเหมกันเยนกันท้ตัดไปยังไงก่อนได้ก็เกมาทำใ้ตัดไปยังไงันเหมือนกันาไม่แปลไม่ามเป็นยังไงให้เราพิจาาเาถ้าเราพิจาาเน ฟันนี่ถ้าเราไม่ล้างเราไม่แต่งฟังนชาวเย็นพูดออกมาเข้าใครเข้าใกล้ใครก็แล้วแต่จะไม่ดีที่ไม่สะอาดดีที่ไม่สะอาดนี่จะว่าพลังงานต้องขัดต่อความมีดีทั้อนี้ถ้าหากพิจารณาบอ่อยนี่มันเป็นการเข้าใจกรรมฐานแต่ไม่พิจารณาบ่อยมันก็เสียสลายก็ช่อง ไปดัดไปแปลงฟันหมอฟันเขาจึงงเยอะหมอแต่งหน้าเขมีแตนเยอะโรคมันลงไปในเรื่องความสวยงามที่ไปแต่งหน้าหมดราคาเยอะเลเวาทนไม่ถึงไม่ไม่ได้สเปนแต่ลงหน้าิจ็ิบตก็เสียความเ็น อ่าที่ทิดแต่ว่าความเห็นเห็นเรามันสวยต้องการคมสวยเราความสุขอยู่ที่ความสวยนัและ พ, ะพูด พ, พูดจะอมถึงิ่งใดที่จะทำให้จิตหลงมาตรงเลิล่างยู่เยเคยเป็นกระอยู่ในตรสัรเท้าอย่างดีอาหารเวลาจะสวยก็ต้องตรวจากแพทย์อากหมอ ชุดก็ต uh ้อง mm hmm. ยางดีทุกอย่างเรียกัาการมรดกในในโลกก็ตําอยู่ับโลกที่สวยๆงมๆนั่นแหจะกินก็ต้องจิตที่ยำ้องตามอะไรต้องให้มีจิตที่สะอาดจิตที่หอมัอาหารก็ต้องรที่ถูกอน้ำมันทางผ่านทางสาที่นิ่งวนอ่าอ่าอารมณ์จ้างอารมณ์เพื่อเคยในการนั่นแหละในกามมรดกในกามารดกคลุกเสียิ่งลบกสบ ถ้าถึงอาหรนั้น่นการสร้างบามีมาหลายปันไลายเดืนหลายีหลายนาทีหลายชัโมงหลายคบลายชาติบารมีที่เคยทำสมไว้ไม่มาสุญหายอะไรก็เอาไว้ไหลไปสุดิมันจะทาชาติสุดที่สุแต่รลงมาหลายขั้หลายขอนั้สมบุรณมาหลายขั้งหลายขอบุญเก่าก็สึ้สติอยู่ในจิตนุ่งไหมก็ไหลเขาเพิ่มเติมแล้วแต่เราจะสรางบุญประเภศไหนให้ทานก็ ทำหลายขั้นเลยผมกระทาเท่าไรก็ไม่ไม่ใช่ได้ครับทานราในทาง่อหนึ่งต่อไปนั้นใช้ก็ได้ขั้นถ้าล่อจะทำถ้าล่อจะไม่นับใช่แต่สามารถทำพันพันทางจึ่หนึ่งทำในแสนทงในล้านอะไรกันมันอยู่ที่พาังของการให้ให้ไปแล้วก็ได้ประโยชน์พอไปทำสาธารณประโยชน์ไปรูไปเห็นแล้วว่านี่ความสุดมันจะให้เก็บกเก็บผลงานก็สบายใจให้มอนเห็น รูกเลย์ไปขาวว่าโลกไปเข้าไปต่อยกันับรถลสไปช น, น, ก, นกันบ้างมีเรื่องาวบานจาับตัว ก, กันวางใจไปดูแล้วเราไปเห็นก็นกันมันจะสจใ น, น, นะใจมันดหือลกระทุ้มาจากไหนทุ้มาจากความประพฤติมาจากยุดที่แม่ยารบกมมาจากถูกทางที่ดีเราติดซ้ำมาด้วย ก, กับเสียบันดาถึงไม่ดี คนเราจะช่วยจะดีก็อยู่กับเสพน่าทาประยยชต์สัมผันเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องใคร่ะโค้งกับคนดีทำเยอะกับเรื่องดีเสพน่ากับสิ่งที่ดีมีประโยชน์คะนั่นเป็นคนดีค็นั่นก็จะมีสตีมีปัญญานั่นะ สิจแปลว่าความสงให้ให้จำประเด็นให้สงบอะไรสงบที่กายครับอาองแขงียสารหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ทำความสะอาดทาไมถึงต้องทาความสะอาดเพราะมันสุขภพตามตามสุขิทธิทางเข้าใจตืขึ้นมาจากที่นอนผมยาวๆก็จะท่าไปแต่งล จะต้องแต่เพราะมันไม่สาพระมันโสโตามรไปตามด้วยแต่เราต่นขึ้นมาจากที่นอนราข้วหน้าแต่งฟันแต่รอาน้าถทารุ่นลางถึงที่สโคกเลนี้คือเกล็ดที่มันยอมรับสิ่งที่นรินถ้าเราไม่เคี่ยวควพวกนี้แล้วมันก็จะหลงร้รูจิตกับตีตังลงไปสิงที่ไมสาระไม่ใช่จสังรก็ พอเป็นคนอากาพร่างกานมันปิดบังคับจิดใจต่อเราเลยนะมันจะเกิดมามีพันละเรื่องรากายนะมันจะเกิดมายทางแบบยีพันะมันก็ครอองแน่ทอดมาแล้วเพราะแม่จะต้องรับผิดชอบโทรมาตัวเองรับิดชอบตัวเองทำทานข้าวต้องนอนต้องพักต้องบ้าต้งรักต้องทุลักสาเลาต้งมีที่ ย่อยยมอมีรราาสิ่ ง, างายาก้จเช่นนั้นผมเดียร์อ่านการที่การทะเลาะว่าเะมีสิ่งยากใจเป็นเป็นสิ่งที่ยากในทางที่จะดูแลรักษาแล้วอยยังยากเพราะมันยังมีปิเลตอุตริจิด้วยจะเหยียบเอาพชาพระชาให้ทำเพื่อผิดเก็บเพียร์ด้วยพระชาให้ทาน้อยแต่ต้องการ ม, มากทำน้อยแต่ต้องการ ม, มากเพราะโลก เวลาทำมากแล้ว้องจางารให้มากไปสุดแล้วไม่ได้จะโวดทำมากดูแต่เังยกได้มากก่านันพอไม่ได้ก็ปวดมีความโลมีความปวดเท่าไดถุงพันกิจได้อาจะพันได้เพรีะว่จิตเหนื่อยแต่พอพวกนี้แหละนายแตกตายด้วยยินนี่แหลมันจะไม่ได้ทูนกระสเข้าไปในเรื่องฐานไร่องินเชื่อนสุด เข้ า, าใจเราถึงเร่ความเป็นปกติของกายกระใจใครที่ที่ดปกติคนนั่งคือถูกเบีมข้ามใจใหา้ทาไห้ผิดละกุจาปุ้งผางก้าเลยนะรับไม่น่าฟังอย่างนี้กันคนนั่งกับผิดเบลีมัมันข้ามใใาห้ทาให้ผิดใครเห็นแม่คนจะรอดดูหน้าที่หน้าเหมอนหน้าไม่กล มีความโกรคนมีความโลภสังเกตง่ายหนึ่งไม่อยากทำแต่อยากได้ตองทาน้อยแต่อยากาย ท, ำย ท, าทำมากทำมากก็โกนเรื่อยๆเลี่ยมาจากความโลภของจิตมันบอดจิดบอดเมื่อแก้ใช้ น, นาจบายงทีอำนาจใหญ่ๆเองก็ความโลภก็ตามไป อำนาจใหญ่เท่าไรเรา่าทางไม่มีการเคลียร์สลาบในความรบก็ตามในข้อนึ่งทุกจุดทุกหน้าที่นั่นแหละแต่นี้แค่น้อยก็คิดแต่ให้คิดแต่ให้มันดีดี ท, ท, ท, ที่สุดในว่าการคิดคิดแต่เล่าคิดแต่ก่อคิดแร่保卫คิดแต่เย็คิดแต่ถือ น, ะนั่นแหลหนะนักไมว่าเย็ดอะไรถืออะไหล่ะหนัก ทหารก่อฮักวางว่ามันกราเราเราเคยเห็นหวัตถุที่มันลอยขึ้นไปที่สู ง, งเพราะมันเบาวัตถุที่มันตกก่ำราอไรเพราะมันหนักไอ้เองนั้นขีดแยกรัหวางจีดแย่คนที่มีจิเห็นภาพายาอย่างมันจะไหลที่ต่ำเราจะตั้งนใจใช่ไมว่ารหไปทางี้ต่ำก็คือทำแล้วจะเหตุสิน ส้นก็มีห้าจุดที่เรากำหนดได้ที่เรารับไปเราส่งเกทุคนก็สองร้อยสามสี่รห้าถ้าผิดเ็ต้องมาให้ตัดเป็นกุศุกุศุช่วยยึดแจไวที่ตัด้าไม่ผิดถ้ารัชกาลทิงไม่ไม่คิดจะฆ่าจิตมันจะมีแรงตายแล้วจิไม่ตายจิตจะเปอยู่นี่นะไม่คิดจะฆ่าไม่คิดจะรับ S s เกษตรก็คือคิดสามีภรรยาคนอืรนบาทีมีเงินยอะกออกไปทำเศรษฐินแบบนี้ก็มีเงินได้เยอะก็ทำให้ถุกสินก็มีเรื่องถกทานถุกสินปัจจัยไม่มีสาระแก่สาระใจเราเอาไปทำให้มันมีสาระในใจของเราอันนี้มันจะดีกว่าท่จะไปทาไม่มีสาระไปเที่ยวไปกินไป ในท่าในวาไ่อะไรอลไรก็จะจะทาให้จิตใจรูกหลงเพื่อขึ้นขยาณะทรัพยเป็นถ้าเราใช้ด้วยจิตด้วยปัญญาท้ามาได้ทีแล้วมันจะมีคุณแต่ใจมันใหญ่ใหแต่ใช้ด้วยวิชาที่สี่ก็จะให้ชดโทษแก่ใจใหญ่แล้วเราซ่องควรแล้วคนอื่นคณะทรัพเป็นของกางการจะทรัพย์ก็เป็นของกางไม่ดีทรัพย์กเป็นของกาง ตายอยู่ในของายแล้วแต่จิตที่สุดมาแบบไหนก็คือปฏิรใช้ใจให้ทำดีดูที่ไหนไปที่ไหนนั่งก็รู้ตัวว่านั่งทาอะไรเดินไปก็รู้ตัวเลยเดินไปทําอะไรพูดเหมือกันอาณาจีกว่าจะพูดรู้ตัวจะบอว่าจะพูดเรื่องอะไร ท, ที่นี้ก็เดีรชัวตัวแของตัวในไอ้นีนี่แหละวิธีการสืบคิดให้ดีทำมีหลายอย่างที่จะตองให้ฟัง น, นมีการให้กานเทลียสลักวารีจาร์จราค์ถนนเป็นสภาพภายในศีลักถนนก็เป็นสาพภายในในใจ ที่ความละอายกับความเชื่อเราไปเศร้าภายในโอตัดปาของตัวตรทุกขนทรใาร์ที่ เ, เกิดขึ้นา ม, มานั้นมาทำไม่ดีแล้วนื่นนนงงนองจากเาภายในสุตตะกัรได้ยนในความเหตุผลก็ไปเศราภายในอัญญาความรารู้ในสัจธรรมทั้งหลาย จะเป็นชาติภายในชาตภายในที่เก่านี้ไม่มีภัยมาทำลายโทษภัยก็ไม่มีทำลายกันได้ไรกับภัยก็ทำลายกันได้สีภัยก็ทำลายกนไดเจอภัยก็ทำลายมันได้มีภัยนี้จีแต่ข้าอยู่เราเราในศาสนาอิัลดมเราต้อบภัยในเยอะอย่างที่สกลนครหรือประเทศตุรกีอย่างนี เราจุดกระสุนออกไปเสียหายเองมีข้าวเส้นหมามีไร่ใีน้มีน้ําท่วมมีฝนอะไรแล้วแต่พอนําท่วมมันเสียหายไปมีขสมากจุดุนจจี้ไปจุไกไะสุนไก็มีน้ท่วมในลพัดก็มีท่มก็ยังมีนี่าวไนอกมันไม่าไม่มีไม่ไม่ไม่ไม่เป็นสาระแต่ถ้าเราเบี่ยงมาให้ทานว่า กำบุญทุนทานว่าเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาสมบัติที่มันไม่มีไม่รู้ว่าดีเอาช่วยอะไรแต่ไปทานให้มันดีสร้างอะไรก็แล้วแต่ให้ให้ให้กายได้คึกพาให้ใจได้รับความสุขอย่ออางเงี้ยมันจะเป็นสาระแก่ใจใจเราเป็นผู้ผู้รัรู้มึกถึงมาเลยเปเห็นน้องว่าทํางนันี้นอายุน้อยอายุมากการทำารื่องมันมันก็ แต่ถิ <c oughs> ่นสถิตอยู่ในจิท right? ุกเรื่องเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็เหมือนกันถ้าเราไปทาแล้วลบไม่ได้ลึกขึ้นมาไปเห็นแต่ต้องทาความดีมันมากกว่าเมื่อมีความดีมากกว่าก็จะคิดคึดถ่ายก่อนพอคิดลบกับไปเริ่อดีพูดลบกับาปไปประโยชน์ที่ดีทำตั้งต่การทาที่ดีเพราะมันความิ่งไหลแค่ปัจจัย เราขอเนี้ยใจ้แต้วไปเจในทางที่ดีมากๆขวานี่นี่เรียกวาสร้างบารมีสรีสั้างความดีให้ทานและสารเสียงนอกจากนี้เราได้สร้างหลวงพ่อภาวนาภาวนาใหม่เภาวัตให้รู้จักคำว่าภาววัภาววัตพบพบตรงมี้พบของตายในขณะนี้พบของใจกระทึงการเช็ดตื้นเถาวัตอยางพบเถาวนามันแยกออกมาจาก ันึ่งไปกกเกาะพ่อหน้าพ่อใหญ่ยแดใจเราคิดถึงเรื่องนั่นตลอดคิดถึงเรื่องนี้ยยงอย่างนั้นแต่ทว่านั่นนงอย่านี้หลับตาดูเลยโอ้ฟังยนะอย่าง น, นั้นใจใจถึงรับไปดยโดยเฉพาคนที่มีเรื่องไปมือเราอะไรที่มันไม่ไปมาแล้วที่วันนี้เดินมาแล้วทีมุกแรกผไปเห็นบางคนทำผิดสิผิดทำมาวนะัน น, น, นนั่งอทำอาสนี้พอท่านเทศน์ท่าอนมาถึงรับไปเห็นเล เราปเ็นกรรมที่จะวเองทำไหมมั น, นลบไม่ได้ถ้าคิดถึงแต่ถ้าเราทำตัวดีใ้มันมากกว่ามากว่าโอกาสที่จะรักไปเรื่อยดีกว่าวนั้นเร็วอันี้มันแ บ, บน้ำนะนะนนในภาชนะภาช้ะใหญ่ขนาดไหนก็สัก่ี่มันขูดอยู่คนที่ต้อการให้น้ำในภาชนะน้ น, นมันใส้ามีทางเดียวคืเอเอาน้าใสใสให้เยอะ ใครนังน so like so ั่อนั่งัน้าใส่ที่อนอยากนัน้าใสไปที่งคดเ่องนั่งใส่ลงไปกต่ไป้ัน่าวใส่มันมากกว่าน้าวจมาไปแล้วหายแล้วนะคุันี่มันแ่ละคนเรามันยังมีอาสวะอยู่อาชีพที่พในการทําิดพูดผิกคิดผมาแล้วชาตินะเราเนี่ยแล้วแตกชาตินี้บ้างอากจะทำผิดก็สี่สบอร์เซ็นต์อากทำทำสิบปอร์เซ็นกันแ่มีเปอร์เซ็นต์อยู่ แต่ทำผิดพลาดผิดควางสูตรพลาดิงก็จะแน่แน่ใหญ่ใหญ่ว่าเราจะทาเรื่องเกกับเรื่อนใดถ้าไปทั้งคมสมาคงกับคนอย่เงเพศไหนก็จะไปบเาอย่างนั้นถาั้งคมสมคงกับหัโซ่จะไปกับห้ยโซ่ทั้งคสมคงกับโสามัคตรก็จะเป็นสายสามัคทั้งคมก็ปัญญาอปันาก็ไปทางนั้การผิดมาผดมาแต่ทั้งเล่นทางทั้งทั้งตัวตน้องบคะัน ความรนรุสมมาตรเติมากเติมถ้าได้จากประสบประสบลองทดลองเลยว่าฟังง่ายง่ยก็เนื่องว่ามีบุญมากหุือว่าเนื่องมาความสุขมากทุาต่อทุกทุกหมดความเ็นกระแสเดียวความรู้สึกจะฝ้าหน้ามันจะมีความรู้สึกแค่คนเดียวถ้าเรามีความรู้สึกว่าสบายทุกอย่างทุกจะมีกี่ขัางกี่หอี่จากกี่เดีกีเดียวมาะ ถ้าเราทำใจว่าให้มาเยอแล้วก็รู้ว่าเรามีความสุขความสบานทุกหน่านี้ถ้าเ่าทาเป็นประจำแต่ถึงภาวนาเพาะว่าดูดูแก่หาจิตที่มันรักไปรับมารักไปรัมาเรื่องนั้นนี่ตอพบน้าเขาเบียดมนก่อไปแล้วก็เฉยก่อไปเฉยก่อไป็เฉักำหนดจิตดูว่ารักไเรื่องอะไรปรงอะไรปรงนี้อยู่ทำอะไรเรื่งนี้มีอะไร คือแม่ก็แต่งานนี่ที้อตยล้วอาทิตย์แล้วเกี่ยวกับตัวเองกับครอบครวบ้างเกี่ยวกับารงานมากกานเลี้ยงบ้างอย่างนี้แม่กไปน่นจะข่อให้เกิดพวนั้นแหละแต่ภาวะที่เกิดจากอาญาตนหาแ้วได้ยนมาแล้วฟังมา มันแ้กมันก็ไปอยู่ในจิตแต่พอเราหลับตาปู่บมันก็อมโชวเป็นการของจิตจิตจเป็นผู้รู้อยู่ใรรมกายถาทำอารมณ์เนี่ยมันได้จากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายแล้วก็ไปไหลก็ไปสุดโชวให้จิตรับทรางเรื่องดีจิตจะรู้เสนเข้ามาอย่างชั รูกี่ก็เสนอเข้ามาที่ชาวราษรูปางอันนิจจ์จับไปเสียงดีดีคือเสียงดีดีขมอเสนอให้จิจิตกับพี่เป็นงานเสียงก็เป็นอันิจจ์ในที่อัดเย็ดไม่ได้ต่อไปใี่เป็นเข้าใจรักมาเป็นพยานหลัฐานยืยันไม่ให้กิเลนเขียงไม่ได้ถ้าเป็นใจรักมันเป็นสัจากอันหนึ่งที่มีอยู่แล้วใครจะตอนก็ไม่สอนก็ ความไม่แน่นอนความเปลี่ยนใจความอารมณ์ทั้งหลายมันมียโดยธรรมชาติทีนี้มันมีอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่กระหนดมันก็จะไม่รู้ไว้เองเพราะมันเป็นของที่เร็วมากให้ตัวปัจจัยอารมณ์รับปัจจัยโกหทั้งหมดที่จะทำให้จิตใจดีที่จิตใจไม่ดีมันจะอารมณวโาคปารลมเปิดจิตตามนะ กัตถารลมอัณฑารลมปุถารลมธัมมรลมพวกนี้กตตาพวกจะหมดเรการกุกันกับมารลมอยู่เวลาเรานั่งภาวนามีมารรวมเข้าไปก็จะเห็นเรานั่งภาวนาเราอยากไปให้อยากไปต้องการทั้งหมดต้องการความรู้เข่าทันที่มันมีอยู่ในในกายในใจเท่านั้นแหลถ้ายมันแก่นั่งไป ก็จะาจะร้อนั่งไปนานนานอะไรมคนก็เบาเลยันคนก็หนักมันก็เจ็บทั้งนั้นนี้เป็นอะไรก็ได้แต่กิองเาหรับศาสตเ่านถึงที่แสดงออกมาให้ให้ให้ิจรู้ย ก, ก็คือสัจธรรมมันเป็นจริงถึงทำไมเป็นจริงี่ยอยู่ในรูปธรรมก็คืออนิจจ์ความเปลี่ยนแปลงของไม่แน่นอนอนิจจธาตุอนตนี่รูปธาตาน นัไปนั่งไปมก็ต้องเปี่ยทุก่องเปลี่ยาเชิียนกว่าเรื่อรามัแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงให้รู้ให้เห็นเท่านั้นแหละผู้รู้รับข้ามรับข้ามไปเรื่อยสุดสุดไปรื่อยก็จะเกิความเข้าใจแจ้งแจ้งไ่ไสอนประชารู้เป็นรงรู้เป็นของของเราถ้าเป็นของเราระบอได้แต่นี่มันบอกนะฮะมันไม่เป็นของเราต้องคบดไปไกลต้องบอกไปไกล เป็นว Th Th ันเพือนเป็นหลายเท่าไปองเป็นวันเพอนเป็นเหมือนเป็นแสงเป็นร่างร่างข้างนั่นอย่าไเป็นรล่างความเข้าใจผิดมาหลายตัวหลายข่างลต่างหลายมาว่าตู้เป็นเราตู้เป็นของเราเปของตู้เราเประตูนั้ถหาอนี้ถ้าเรากำหนดอย่างนี้เราเรไปฏิเสธว่านไม่ใช่เราความกระสัยนะถ้าเราเป็นของกระสัยมันก็ เป็นอะไรมาก็รู้เท่าอยางเจ็บแก้ไม่ปวดก็รู้เท่าเก็บ่อนปวดัวเราปรทเท่าเพราะร่างกายเป็นเจริงของโรคโรคทั้งหลายาอยู่ทีรางกน่เส่อทีนี้ถ้าเราตั้งใจว่าขอให้เจ้าสุขภาพแข็งแรงพ้อมอางยั่งยืพอยืนยิ่งก็รำบากเนะก้าเราเป็นรอดก็บากเลยนะไม่ใช่เรื่องสบายนะ เพราเาะสัจจนัง่งคืออริยจาร์นำบ ด, ดูทีไหนทุกังอยู่ที่หนทุกขั้งอยู่ในนี่ไหนหาาลัหน้าตายอนนา ย, ย, อ ย, ยออทท่ที่นาอกไม้หน้าน่างอีกผู้เข้ามาใส่ในร่างกายเราต้องขัดฝุดให้มันรูเท่าในสิ่งที่ดีอยู่ในตัวของเราเนี่นนยเนี่ยเป็นสิขาขอ ง, ขอ ง, ของการส่วนผู้เสีย ก็จะทำลมเป็นให้ได้ให้ดีให้มีให้เป็นในในกิจกรัเชื้อตนาดบรจาคาริจาคพลสงศิลป์นสุทธะนลังศิลป์พลางัตถุพลังัญญาพลงพลังวิสุทอ้อย้ออ้ออ้ดีแออ้ออ้ออ้เอื่อ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ ไปไปกับเด็กวิชาไปมุ่งมิสุดคือเข้าอนิพาตฝึกให้มันดีทุกเรื่องไหดีไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีไม่ดีไปสมมติแต่ว่าสิ่งทีงร้ายเป็นธรรมชาตแต่ผู้รู้จะเข้าใจโอ้่นี่ดีเขาถามเราโอดีชอบใจฆ่ากรราเขาอีกถาเราโอ้ดีเราฆตากรรมขนงเราไหมเราไมี จำนิบาตอย่างสานทางพุทธศาสนาเดันสามธรรมะจัตตาร์เชื่อจำกาักระทำจารใการใจนิบาตจัตตาร์เชื่อควางรู้จำที่จะให้ผมในปัจจุบันและทาบต่อไปแต่ท้ายกรตากโพธิจัตารเชื่อในการจัดเสบือของพุเจ้าเชื่อสามอย่างในไวตัมเชื่อที่มั่นคงในข้อปฏิบัติในทางพธศาสนา ชื vis, ่อนั่ติดย่ยทางโค้ทางโจงคือเชื่อสามอย่างนีแหละแค่เชื่อรื่อยาจเราเกิดขึ้มาเรายังเกิดมารับกรรมสองเกิดมาสร้างกรรมสามสุดทาเป็นมาศึกษาเรื่องกรรมเพืเข้าใจอาจจะได้เบื่อใด้หนาในการที่จะเรรู้ไปเกิดเพราะว่าชาติปีทุกข์พาบัวองต์ชนงจำได้แล้วการเกิดมาเป็นทุกข์ ถ้าเราปิดตู้ขาเวลาเปิดมานานๆถ้าเราข้ามต้ากเปรียกันตรงนี้ทุกก่อนจะตายเราพยายามรู้จักใจของเราได้ตรงนี้ทกลองตั้งใจทำห้ใจมันดูที่ปัจจัยแต่ขาดทุกไหมทุกเพราะว่าทุกอย่างนี้าจะทำไม่มีไม่มีใครสอนใหญ่มากกว่าเป็นนอันนี้การเรามีอยู่ในงเราตถอดเวา ทุกคร้งมันมีตลาดเวลานั้นตมามีตลาดเวลามีไตลักษณะยานต้องยานในควางอย่างรู้อย่างทุกสามอย่างเนี้ยเพื่อปิปกจตเลยโลภศึกาม้วนแต่เราพรเข้าใจว่าเราขอเราของเร า, เร า, เร า, เราจริงสการมากนั้นถึงนี้อ ย, นอยากได้มากนั่นแหละรมากมากมากอยากหลายแต่หายเยอะชายของคํงโาโลภถ้ามันไม่ได้อันใจเราเคยได้ความไม่ได้ตะกนเกลีย ก้าพิบา่เ็น้าพันธย์เองนะสายเขาทุศักดิสายเขาโมหะก็เขาชวนทำอะไรก็จะได้พิจารณาปรทังไปบางทีก็หันเงินทำรักไม่ว่าจะไม่แต่ก็ชู้ชอบอบข้าพิบาติเ็นาันนงะครยทักดิ์ายเาใจหะก็เข่นอะไก่ได้พิจาับไกันงินทำรักไม่าม่่ มุแจกท่นที่มีนายกรมท่นที่มีก็คุมอย่างเดียว่นั้นก็ไปอยู่ในในตรงนั้นแต่เพราอะไรกพโลกนา้อย่างหลายสถานเยอะเหมือนกันอย่างมันให้โทษเจือโลกะให้เลี้ยงปากด้วยการเสียสละปล่อยใจท่าทางการโกรธกหรเย็นการกัดจมปากด้วยศีรษะพลังความสงบกายใจ แกแกตส่องนต้าสำหรับแกภาวนาภาวนาทุกวันทุกวันใหกลุมเยอะนห้กลุ่มฟังใหกลุ่มอนต่อยให้ค้างร้อย้างคัคั่งเข้าไปเข้าไบนั่งสมาธิคั่งหนึ่งออกมานะ่งสมาจิจได้่แม่อาจารย์เนี่ยต้องสอนนั่งสมาธิร้อยั่าวันคั่งเข้าไปเข้าไานั่งติดใจสงบปล่อยวางในขั้งหนึ่ง เก็บไว่างไว้ใ <weigh> ห้มีรู้ใย้ทุกอะไรก็ต้อกแบบทั้งทั้งแสงพอแสยงก็ต hmm. <cat> ้อมาเรีวนรู้ตการกิพัพเสียกระดับพัพอะไรก็ต้องพัพดับทันทีทุกอย่างดับพัอย่างนััพแล้วก็อะไรก็ับพัเป็นธ้มจังอาจารย์ก็สมมติเราานั่งอยนี่ใช่เกิดมีคนมีเกิดก็ปั้งใช้ใครใช้ก็ มันจะต้องเก็บเสียเออเ่งดีนะว่รื่นี้เสียอะไรผ่านมาื่อกระดับอะไรมันเป็นงานนิจังปัญญาลูเข้าเลยใช้ได้นั่นนั่งอย่ป่านในตรงในคำในเหวนีกเรืง้านแ่กใชเพราอะไรก็เหนรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทีเป็นานิจังมันไม่เทียงแค่ไหนมันเปี่ยนแปลงไปตามเรื่องนี่นะขณะเยเรา พอาทางมาฝึกใจจิตป่านาชัยยาเอาเสกุมาฝึกจุตป่าโทรศพ์ความกระเรืองเอาเมตตามาป่าเพื่องพิจานไปพิานที่อยากเอาเมตตาธรรมเอาศีลธรรมเอาทา น, าอ น, า น, นเอาศีล เ, เ, เ, เ, เอ า, เ, อ า, า, าเมตตาแล้วเอาสติสติก็คือรู้ ดูดูก็รู้ก็เรีนั่งดูก็รู้กาเรียนั่งทาอะไรก็รู้เกิดไปทอะไรก็รู้รู้ดูเนื้อยื่ยากก็ต่างๆได้สติทำมาชันญารู้พร้อมพร้อมทางกายทางใจทำาชันญาทัสุดญาติมเทานั่งนี่นะต่ว่ามีสติทำอะไจะรู้จะเข้าในั่งนี่แต่ถ้ารู้ต่อไปเรื่อสติสำมาชัญาเนี่ยจะต้องรู้ถึงการเกลื่อนข้าใจด้วยรู้ายรู้ใจใจคิดนั่คิดนี่รู้ จิไปตอนนี้ร่างกายไม่ไปจิตถึงเรื่องนี้จิตถึงเรื่องนี้จิตเรืรรกระดัิรรู้ระับมันเกิดระับกิดระกิดระกระดนขัญาตอรทุกกนะจิตก็ไม่หวันไหได้อะไรก็เป็นมงคอาสวัตเลย้งเชั้น พุทธะสาวกธรรมนี้จิตธรรมยัติสาระธรรมที่อัศว ก, ะะกรรมไม่ยัง เ, งเมทมัน้เองธรรมันเลาต้องมานจิตของท่านผูใ้ใดกระทบโลกธรรมแตกแล้วไม่ละไว้โละธรรมแตกนี่แะมีลาบไปขึ้นลาบไปเสื่อไปยกักแสไปขึ้นยักแสไปมีสารเสรื่อมแยกกระทุกฏฐานไม่สูญแยกกับมิทุศ คือทั้งนี้ั้งั้งแต่เนี่ยไม่มีใครเร่งแล้วถ้าหาว่าใครทูบบุหีในืนทั้งแป๊นี้ไม่ละไนั่นหละจิตของตัวนั้นเป็นองชันสงแล้วช่ว่าเ จ, ะจะ็บแคสุดพอดีแล้ ว, วก็นกอสให้ช่วยกัน่วเวลาชุกนาทีไปนั่งหรือข้านไหน้วแต่นั่งหลับตาได้ก็อะไรจ็ตามก็า้็นต้องึกธทํา แต่ละวันแต่ะเดอนแต่ะจกรรมที่ประกอบด้วยความสุจริตเม่อกี้กรรมว่าสุจริตเมือตนกรรมสุจริตใจกรรมสุจริตจเป็นสาของกุศลสายของคนฉลรดที่จะทำบงเรือมาอันนี้ถ้าองฉลาดแล้วมันมีความสุขจะเกิดในินมันก็แตกยิงกระทำมุชานกระทำอันหนึ่งเทนจีถ้าตฉลาดแล้วเรียกว่ากุศลนั้งเกี่ วัฒนธรมจิตังว่าตำแนงขอีอุบายที่ที่ไหนก็แล้วแต่จิตที่สะอานี้นะโซวันละสะาคาถาโซนะเกี ita, ่กความกนใจโซนะสะอาดคาถคือคาถึงของใจจะไปครอบสมณพนักสอาคโซวันละสะาดาาในสังเองยานในความหยั่งรู้เรื่องนั่งเรื่องนี้ยาเข้าในสังเกตุปารามัยจะไปรู้เรื่องรู้เขาจะทำนะครับ รู้เรื่องสีทั้งกระถาอะไรเป็นทางเาือกว่าสครเกิจะเกาะก็ได้กุศลนั่นนะเป็นคนรอบถึงนี่ก็กุศลมันดีอีกแต่ปีนี้เป็นจัใจท่้งร่างกายใจขับไปเจ็บที่ประก็ได้กุศลที่ห้องห้องนี้เกิดไปไหน้็เกิดก็เปิดถ้าเกิดก็กุศลมีปากคลายกันนั่นเป็นเชือสิเป็เลือกได้แต่ว่า เ, เกิเไม่ได้เพราะวิบากพาให้มารวิบากกรรมเนี่ยพ า, าพาให้มันเกิดดน้คนยังแตกต่างกันในระหว่างชาท่ับถานนทำ้อยู่เพราะวิบากแตกต่างกันไปทางวันนี้กอธิบายในเรื่องเหตุทางจักรศที่ ทำให้จิตมีความสุขือทานแล้วก็จิตมีสติแล้วก็มีสติแล้กันเปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาแล้ญญวก็นั้นก่าจิไม่สมองจะตเด็สนาเดกว่าจิตก็ไ ม, ม, ม, ม่สมองในปัจจุบันนี้และขณะคตเลยสุขสติ คติของจิตก็จะไปสู่ความสบายมีวกตัวอ่อนสมาะได้นะครับถ้าจุตเตสังเดชแคไจิตเข้ามองจะมีราคาโทรศัพท์มาอาห้เงยูทุกปฏิเสธก่อนได้ถ้าจิตกระตกร้ราคาโทรศัพ์มาเอาห้องอย่างแน่นกลัไปบ้านนีแต่เครืองหอีได้การทานที่ไดก็เครื่องหอมเค่ออมกอะไรก็มองไป่มองมเนกรแส กระแสปัญญากระแสปัญญมันไม่เห็นหนัมากคิดไปก็คิดไปด้วยคิดไปด้วยงานของนี้คิเด็กเรื่องอะไรมันจะไปเห็นได้อดทุกันทุกเวลาทุกนาทีไม่ต้องขึนกับตารมณาไม่ใจหรอกอยู่ในงานมันงดได้แหละาดเครื่องไมลก็ทำงานของมั กามฉันท์ทาให้จะบาดทีนะนมีสามารถรู้จักวิ่ิตรศัลย์ของผมไม่ถูกได้ส่วนขกงผมการฉันท์ท่าถ้าไม่กำเนิดทัศ์สมบัติที่คิดถึงโลกที่ชอบที่ฉันไม่ชอบถ้าไม่ได้ไปไม่ได้เห็นไม่ได้เห้นเลยกเกิดความอากรเจอข้มาเกกรบาทขึ้นมานะใครมาถักข้งเราเกิดพยาบาทขึ้นมาถ้าไม่มีไม่ไม่ได้พยาบาลคนนัคนนี้หรือว่าไม่ ดีๆในโลกตะวันตกน่าจะเกิดข้อน้องหนาวขึ้นอยากที่าะมีธาตุน้องหนาวขึ้นมีแต่แกล้วั่นเดียวไม่มีที่แกนาย่างนี้ในวาระธรรมเานั่นจะสงสัยรังเลตัวเองกายก็เลยจับไปไหนแล้วปฏิบัติงานทุกทีเปล่ากไรพวเนี้นะฮะในวาระธรรมการสมาี่ให้ตั้งา่นในมนสัจธรํมใ้อารมณ์ที่มากัะทบกระท่งนะ วันนี้ก็เห็นว่าสมเด็จจั้รลักษณ์เป็นคนถวยท่านพระเาจุลจอมุท์มีให้ทานหาสินภาวนากระดิ่งจิีใจตังานได้มีวิญญใณบริสุทธั์มาวิสุทธิ์ใจมีตัณย์พรุนี้ถึงเอาเอาพวกเอาเอาเอาไปใช้ทำธุระมาตรวจจมันสุดไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกดือทุกปีไปแล้วจิตที่สุดไปแล้วมันก็จะมีแต่ความมันด่นมีสุขภา มันดีใเองทนด้วยความสุขมาสบายนว่าเรามีความสุขคาสบายแล้วเราจะประสบโชคเหตุผลงานการปฏิบัติของเราเราจบัเราจะรู้รู้ตัเองเมื่เรารู้รู้ตเองแล้วก็ไม่ต้องอาศัยใครถึงจะอาศัยก็ทานมอาศัยก็ได้นานทุกคนะ้เวลาเ้าก็ไม่ต้องไปตากากาที่